ฟังธรรมต่ออีกอธิบายย่ำลงไปเริ่มต้นเราก็เข้าพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธธรรมพระสงฆ์นันมีคนเอกอนันที่มีต่อชีวิตของเรา มาแล้วก็มาฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องทางผลทางอันษษษประเสริฐเกติอย่างอยู่ในชีวิตจิตใจของเรานี่อยู่ในกายในใจของเรานี่เราพยายามใช้แปด ต่างๆดันระเสริฐเปิดประกาศนับตั้งแต่นอกจะพวกก็คือตั้งแต่ปัญญามหาศีลมหาสมาธิเรื่องศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรื่อง สมาธิก็คือตั้งใจชอบปัญญาคือรอบรู้ในการกระททั้งหมดรวมลงคือสิคือสมาธิปัญญารวมลงแล้วคือกายใจของเรานี้เราจรึงใช่ให้เป็นประโยชน์จากนี้จนถึงสมมาสมาธิ เรียกว่าปัญญาจบเหมือนคนทำงานทำมานจบอะไรก็ทำแล้วอะไรก็ทำแล้วก็จบอะไรไม่มีสิ่งที่ไม่ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจเหล่านี้ทำหมดแล้วมีแค่นี้ ที่ว่าสมมาสมาธิเราก็สาธยายเป็นภาษาก็ถึงจิตุจชาชันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ทุกข์ก็ละได้แล้วสุขก็ละได้แล้วมีแต่สติเป็นอยู่มีความไม่เป็นอะไรกับอะไรอีกแล้วจบไปแล้ว เรื่องชีวิตเราก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรทาอีกต่อไปเหมือนเป็นเช่นนั้นมันก็เสร็จเป็นมันก็จบเป็นเป็นขั้งสุดท้ายของทั้งหมดความหลงขั้งสุดท้ายไปแล้วของทุกข์ขั้งสุดท้ายของมโกรธขั้งสุดท้ายแล้วไม่มีอีกแล้ว ถึงจุดหมายปลายทางถ้าจะเปรียบการเดินทางก็ถึงจุดหมายปลายทางสุดทางเท่านี้นันกันนั่งเครื่องบินไปที่ปลายทางอีกยีสิบนาที การบินไทยนำท่านทั้งหลายมาถึงจะไปสู่จุดหมายปลายทางถ้าไปประเทศใดเมืองไหนเขาก็บอกอเตรียมรูเลชิ่งของ เครื่องใช้ส่วนตัวทรัพย์สินของนน้าเรียบร้อยก่อนลงจากเครื่องบินการบินไทยขออยู่ดีต้อนรับใช้ท่านมีปัญหาอะไรเวลา ล, ลงจากเครื่องบินแล้วพนักงานการบินที่อยู่ต้อนรับท่างถ่ายภาค เพืเดินจะดูแลท่านปัญหามีอะไรถามได้เรียกใช้ได้พอถึงจริงๆไปถึงที่นั่นจริงๆสัมปตที่นั่นจริงๆเราถึงผมไม่เป็นอะไรจริงๆมันก็ไม่มีมันก็ถึงจริงๆแต่ก่อนมีงานทาเฮ้ยทุกเป็นทุกเป็น คโค้งโกรธโค้งโรคโค้งหลงเมื่อมันไม่มีไม่มีจริงๆอย่างนี้เรียกว่าทางให้เราดำเนินไปเวลามันหลงรู้ไปเวลามันโกรธให้รู้ไปเวลามันทุกให้รู้ไป รู้คือการเดินแล้วถ้าหลงเป็นหลงยังไม่ไปเลยยังอยู่ที่เก่าสุขสุขไม่แจ้งกุญแจไม่ไข ย, ยังไม่ได้ไปถ้าสุขเป็นสุขก็ยังไม่ไปทุกข์เป็นทุกข์ก็ยังไม่ได้ไปไหนหรือหลงจนตายโกจนตายสุขทุกข์จนตายมีเหมือนกันชีวิตของสัตว์โลก ไม่มีก็มีอยู่เช่นกันเราหลงคนอื่นเขาไม่หลงก็มีเราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกก็มีเราโกรธค น, คนอื่นเขาไม่โกรธก็มีมันไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่จิตที่เหมือนกันชาวมันลักษณะคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนมีเหมือนกันหมด เคยเจ็เจ็บตายเหมือนกันหมดแต่เขาว่าอยู่ตรงนี้เขามาอยู่กับสิ่งเหล่านี้เหนือแล้วบางคนอยู่กับทุกข์เขามาอยู่แล้วที่ตรงนี้บางคนอยู่กับความสุขเขก็มาอยู่แล้วอยู่กับความร้อนความหนาวเขามาอยู่แล้วเขาเห็นแล้วมีแค่นี้ เห็นแล้วไม่เป็นแล้วมันร้อนเห็นมันร้อนไม่เป็นผู้ร้อนมันหิวเห็นมันหิวไม่เป็นผู้หิวมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันเจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บมันจะตายเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายอะไรที่มันตายอะไรที่มันไม่ตายภาวะที่เห็นนี่คือสัมมาสมาธิ มาเห็นแล้วเห็นชอบจริงๆสุดแล้วไม่เป็นอะไรกับรายละอีกต่อไปแล้วบางชีวิตก็เป็นอย่างนี้บางชีวิตก็ยังผลาญพลลองหนักอยู่เป็นภาระอยู่เอาความสุขเป็นตัวเป็นตนเอาความทุกข์เป็นตัวเป็นตน เอาความผิดความถูกความได้ความเสียความพอใจความไม่พอใจเป็นตัวเป็นตนอยู่จนทัองที่ไม่มีอะไรเราก็ไปปั้นน้าเป็นก้อนเป็นแท่งขึ้นมาแบกไว้ถือไว้มันไปแล้วยังดึงมันไว้อยู่เหมือนรดมันออกไปแล้วยังดึงมันอยู่ ว่าภาคจากของเล่าขอ ง, ของชอบไก็เป็นทุกข์ยังทุกข์อยู่สิ่งที่ไปมันก็ไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้แล้วของที่เสียมันก็เสียไปแล้วเอาคืนไม่ได้แล้วแต่ยังยังดึงไว้อยู่เอามาเป็นทุกข์มาเป็นความเสียใจอกคลอดลอยกันอยูอ่ อะไรอ่อนในสิ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์พัดภาคเกี่ยวของเราของชอบใจก็เป็นทุกข์ปัสาจึงใดไม่ได้สินั้นก็เป็นทุกข์อะไรก็หมาเป็นทุกข์มาเป็นสุขถ้าได้ก็สุขถ้าเสียก็ทุกข์หรือว่าไม่โยอมวางตรงนี้ ก็เลยถูกโลกตรงให้โศกทับถมทุกทับถมเขาอยู่อยู่ต่ ำ, ตำไม่เหนือเราจึงฝึกตัวเองกล้ า, าชักหน่อยมีความเพียรชักหน่อยนั้นหลงก็มอง มองว่ามันไม่หลงก็ได้มันโกรธมองว่ า, าไม่โกรธก็ได้ให้มองแบบทวนๆสักหน่อยอย่ามองแบบน้ำไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ําให้มันทวนก็เสียไปสักหน่อยให้มันอยู่สักหน่อยถ้ามันวิ่งก็ให้มันหยุดสักหน่อยรอสักหน่อย มันอาจจะหยุดได้ยืดเรามันหยุดได้เราจึงฝึกตนสนตนตามวิชากรรมฐานนี่ยอดเยี่ยมเวลานี้เราก็กำหนดกรรมฐานเ0วัวนเป็นสมุติีบัญญัติไม่ใช่ปรมาสัจจะ ปรามาจิตเจ้มันทุกนาทีกรรมฐานตลอดชีวิตไม่ใช่สี่สิบวันนี่แต่ที่ตั้งในการกระทามีความชั่วละความชั่วความความดีแต่พฤ้ต่พือไปความชั่วละแต่พฤ้ต่พือไปเป็นอย่างนี้นี่ว่ากรรมฐาน ปฏิเสไม่ได้เพราะกรรมเป็นสิ่งจำแนกสัจจสิทธิ์ถ้าเรามาแยกตรงนี้ก็เป็นกรรมเลื่อยไปเป็นวิบากเลื่อยไปเป็นจิเลสเลื่อยไปอย่างความสุขผลีเพราะสุขก็ติดเพราะติดมันจึงอยากเลื่อยไปเพราะอยากก็สูขเพราะสูขก็ติดเพราะติดก็ อ, ด อ, อยากเพราะอยากก็สูขเพราะสูขก็ติดเลื่อยไป ถ้าไม่โูบก็ไม่ติดถ้าไม่ติดก็ไม่อยากพ้าไม่อยากก็ไม่โูบมันก็จบแค่นั้นอะไรก็เป็นก็เป็นอย่างนี้ดรกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำคือไปโูบมันไปกินมันถิงเทปติดไปกินชิงเทพติดไปติดกับความหลาคาไปติดกับ โทสะปรปจิตกับโมหะลาค้าจะหลุดโทสะจะหลดโมหะจะหลิดเพราะไปกรธรร ม, มันพรปไปคิดไปลำดับมัน ก, ก็เลยติดซ ะ, ปะปเป็นเฉลตไปเป็นนิสัยไปทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายไปซะมีในโลกเหมือนกัน บางคนก็ทำชั่วไม่ได้เลยทำดีได้ง่ายๆ mm. ก็มีเหมือนกันในโลกนี้เพราะปึกตนสอนตนก็มีชีวิตต่างกันเราจึงมาฝึกตนสอนตนตามหลักวิชากรัมฐานให้มันจบเราอาจจะจบไวๆ mm. ทำปับ๊บจบปั๊บไปเลยเข้าถึง มักผลที่ผ่านไปเลยก็ถึงมุดไปเลยไม่ใช่โลไม่ใช่เึกครับปัจจิตตังนะนั่นทุกไม่ทุกเนี่ยมันก็ใกล้ๆกันมาเพิ่มกันความทุกมาเพิ่มกับความไม่ทุกความหลงมาเพิ่มกับความไม่หลงความโกรธมาเพิอมความไม่โกรธ ความหิวมาพร้อมกับความไม่หิวควา ม, มเกิดเจ็บเจบตา ม, มาพร้อมกันมันใกล้ๆ ก, กันเพียงพลิกเพียงเปลี่ยนเท่านั้นเองเรืยกวปฏิบัติมันก็ไม่มีที่ใดที่จะต้องเรียกให้ให้สมน้ำหน้ามันเท่ากับว่าปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติคือนักเปลี่ยนไล่เป็นดีตลอดเวลา นี่เรื่อนักปฏิบัติมีสิทธอย0ปทุกคนทุกชีวิตในเรามันหลงเรามีสิทธิไม่หลง 100% ยเอร์ามันโกรธเรามีสิทธิไม่โกรธ 100% พยเปยามใช้สิทธิของเรายายาสละสิทธิ ต่ความทุกข์นอนอยู่ข้ามวันข้ามคืนไม่มีประโยชน์อะไรมันละได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่สังขารมันไม่เที่ยงสังขาราปรมาทุกขาสังขารพายเป็นทุกข์วิสังขารปรมาสุก ข, ขาสังขารวิสังขารเป็นนิพพานไม่ทุกข์ ในควาทุกข์มีวินิพานในความไม่เที่ยงก็มีนิพานเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นทุกข์เมื่อนันยอมหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละคือนิพานเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นทุกข์เมื่อนั่นยอมหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ตนหลงนั่นแหละคือพระนิพพานนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆไม่อยู่ที่ไหนเกิดที่ใดดับที่นั่นของจริงเป็นอย่างนี้เห็นเท่านี้รู้เท่านี้พอแล้วเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นแก้งเป็นวิปัสสนาเห็นแล้ว วิปัชนาลู่แล้วลู่ลู่โลกอย่างแข็งแข้ ง, ง, งถ้าทุกข์เป็นทุกข์ยังไม่รู้ถ้าสุขเป็นทุกข์ยังไม่รู้จะไ ป, ะไไปลู่ลอยไปลู่ดาพระจันโลกพระจันเหรอมันก็ไม่ใช่น้องตาเวนดาพลัง ไม่ใช่ดแต่ว่าพูดเขามาด่าเขามาขยี่เราเราก็ขยี่เขาแบบภาษาธรรมะเขาขี้หน้าเราคนรู้เลยมาคืมาสอนที่เรื่องใดขอสัมผาสได้ไหมบอกว่าได้เขาก็มาขี้หน้าเรา คนรู้เลยมามาสอนที่ทําไมอ็ตอบเขาว่ารู้ตัวเองอก็รู้เองก็รู้อย่างไงก็ยกมือเคลื่อนไหวให้เขาพาเขาทำนี่เรารู้อย่างนี้รู้กายคือมันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยรู้ใจเวลามันคิดอยู่เนี่ย ให้เป็นภาวะที่รู้อยู่เนี่ยเขาก็ยกมือเคลื่อนไหวด้วยถามเขาว่าคุณเคยรู้อย่างนี้ไหมเขาไม่เคยรู้คุณไปรู้อะไรละ่ะคุณไปถึงดาวโลกภัจันทร์แล้วคุณไปรู้ตัวเองอะ่ะคนอเอเชียเขารู้อย่างนี้นะจัตตดาทั้งหลายเกิดจุอเอเชียพาะเขารู้เรื่องนี้นะ ไม่มีศาสตราอุนไหนเคออยููยุโรกอเมริกานะต้อจะพิสูจน์เรื่องนี้ไหมอายุคุณเท่าไหร่แล้วซึกชั่วโมงหนึ่งเคยรู้ไหมกขาว่าเขาไม่เคยรู้นี่อ่ะจะจะจะต้องจะต้องให้รู้เรื่องนี้นะจึงจะ มีคุณมีค่าชีวิตเราอนะจึงลู้มันหลงต้นไหนให้รู้ตรงนั้นมันทุกต้นไหนให้รู้ตรงนั้นเรียกว่าทุกสิ่งมาพร้อมกันจริงใดที่มันเกิดก็มีสิ่งนั้นหนะที่มันดับดูเท่านี้ก็พอจริงแล้วพอใช่แล้วไม่มาก มองแบบนี้มองแบบทะลุทะลวงอย่ามองแบบตันมันทะลวงได้เห็นพร้อมกันเห็นเหตุก็ เ, เห็นผลมันมีแน่นอนอย่ายอมจนทำตามคิดค่อยตามไปสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ เป็นคนปลาชัยเป็นชีวิตพ่ายแพ้ไม่มีโอกาสเจริญไปทางต่ำเรียกว่าเดรดฉานเดรดฉานขวงไว้ไม่ทะลุเดรดฉานมันมีทางขวงขวงทางตันตันไปทางขวง ถ้าโกรธถ้ากูได้โกรธกูไม่ลืมนั่นขวางไว้แล้วไม่โกรธก็ได้แต่เขาขวางไว้ตัดหนามขวางไว้ไปไม่ได้เดรัจฉานเป็นแบบนี้มนุษย์สาเดรัจฉานโอในร่างกายชีวิตเป็นมนุษย์แต่พอจิตใจไม่มีพัฒนาเป็นเดรัจฉานมนุษย สาดละฉาโนมนุษย์สาเปโตมีเหมือนกันมันตกนรกเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีอย่างเนี้มันจึงมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมัน่าเพื่อการนี้เยี่ยวนี้เราอยู่ในทางสีแพงมีจิตติจะ ก, ก้าไปทางไหนทางสีแพง ไปบายภูมิทางหนึ่งไปมักคผลนิพานทางหนึ่งไปพุมโกทางหนึ่งไปเทวธรรมทางหนึ่งอาจะไปทางไหนถ้าไป อาบายก็ั้งผัวงแบบเนี้ทุกเป็นทุกโกรดเป็นโกรดที่เราอบายโกรดจนตายหลงจนตายทุกจนตายหันหน้าไปทางนั่นอยู่ง่ายเอาความโกรดออกหนะ้าความหลงออกหนะ้าอะไรพอใจไม่พอใจเริ่มแรกเมื่อมีสติ มันก็จะเห็นทางถอนความพอใจแล้วความไม่พอใจออกมาได้นั่นนะไม่ขวงงล้วบัดนไปทางให ม, ม่แล้วบัดนะมี่สติอยู่ว่าลองจะไปสูงน่ะไม่ความอายต่อความชั่ว อาจจะไปเทวดาพวกสวรรค์กลัวต่อบาปเป็นเทวธรรมแล้วจริงแท้ให้มนุษย์เป็นเทวธรรมเดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะมีสิทธิ์แบบนี้ถ้าไม่ใช่สิทธิ์ก็ไม่ใช่มนุษย์เสียโอกาสตายไปเท่าไหร่เราไปเป็น ตกอ บ, บายเท่ากับขนโคไปสู่สวรรค์นิพพานเท่ากับเขาโคมันน้อยเหลือเกินเพราะไม่พัฒนาตรงนี้เราจึงมาปฏิบัติคือเปลี่ยนน่ะไงพูดแล้วพูดดีเปลี่ยนหลงเป็นรูปนะเปลี่ยนทุกข์เป็นรูปเปลี่ยนสุขเป็นรูปเปลี่ยนโกรธเป็นรูปเนี่ย จึงจะมีสิทธิเหมือนมนุษย์เป็นสัตประเสริฐถ้าไม่เปลี่ยนไม่ใช่มนุษย์เป็นโอกาสที่ไปนรกได้ไปสวรรค์ก็ไปได้เรียกว่าเทวธรรมเทวธรรมคืออะไร อิลิความลอยต่อความชั่วมันก็คิดชั่วมันก็พูดชั่วมันก็ทําชั่วอายใจตัวเองคนไม่เห็นก็มันก็นกทําเรียกว่าทำที่เป็นโลกกบานคุ้มครองโลกถ้ามีอยู่ในผู้ใดถือว่าโลกกบานคุ้มครองโลกคนนั้นเขามีความลายต่อใจเขามันก็คิดชั่วมันก็พูดชั่วมันก็ทําชั่วไม่มีที่รับในคนคนนั้น คนอื่นไม่เห็นก็ไม่กล้า น, นี่ก็เป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกได้จริงๆเทวธรรมในโลกก็มีความเมตตากรุณาวิตาเปกขาไ ม, ม่ขอบเขตบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณเมตตาที่คุณกระุณาที่คุณออกหน้าออกตาอันนี้ผมมาโลก พวกนี้เป็นพรมไร้ในชีวิตที่เดินดินอยู่เนี่ยถ้าเป็นพระก็ไม่เป็นอะไรเหนือสุขเหนือทุกข์มีสิติมันหลงไม่หลงนี่พระไปทางนี้หมันสุขก็ไม่สุขพวกเทวธรรมในยังสุขยังอยู่ในความสุขแต่ความทุกข์ก็ยังมีบางที่ก็หมดปุน่นตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์ มาตั้งต้นใหม่อีกทำบนทำทานมาเปิดทำกันอีกไม่มีที่ไปสวรรค์นี่ผ่านได้ไม่มีสัตว์ประเภทใดไปมีแต่มนุษย์นี่เราได้ชีวิตมนุษย์มาเนี่ยมีสิทธิจะไปเป็นอินเป็นผมไปไม่ได้ ต้หมายเป็นนุษเท่านั้นอภิพาละมาเป็นนุษเนี่ยคือมีบุญแล้วประเสริฐแล้วอะนั่นล่ะจึงจบมันซะมันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเนี่ยให้มันจบไปซะเปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธเปลี่ยนทุนกข์ไม่ทุกข์ให้มันเหนือไปซะในโลกเนี่ย ไอ้มนถึงสัมมาสมาธินั่นน่ะจุดหมายปลายทางอยู่ในชีวิตเหล่านี้เริ่มต้นคือคือปัญญาคือสติเนี่ยเปลี่ยนหลงเป็นรูกเนี่ยคือปัญญาแล้วแสงสว่างแล้วลุ่งอรุณแล้วสัมมาสิทธิเนี่ยลุ่งอรุณเนแีแสงเงินแสงทองขึ้นแล้วมองเห็นแล้ววันมาดูซิ นี่กายนี่คือรู้เป็นปัญญาแล้วเห็นกายสักว่ากายไม่ใช่สัจบุกดูตนโลภขรัวเวทนาก็สักว่าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นแหะไม่ใช่สัจบุคคลตนโลภขรขาเห็นจิตที่มันคิดก็ไม่ใช่สัจบุคคลตนโลภขรขา เนี่ยลุงอรุณเป็นปัญญาสมาธิทิถอนความพอใจแล้วความไม่พอใจออกมาได้มีสตินี่กำลังจะเกิดสมาธิทิแล้วก็พูดชอบการงานชอบเรียงชีวิตชอบเป็นศีลหล้ววป่าเนี่ยคนที่มีสติก็ใช้ชีวิตเป็น แล้ววันนี้เป็นศีลแล้ววันนี้นบสนุนปัญญาขึ้นมาอีกขอความภาคเขียนชอบข้อที่หนึ่งข้อที่สองสมาทิติสัมมาสัมมาสัมมาอะไรกนุบลีชอบเนี่ยเป็นสมเป็นปัญญาต่อไปก็สัมมาวาจาสมาชีวาสัมมา ากามันตาเนี่เป็นศินแล้ววะนี่คือรักษากายแ ล, ล้วว่อาจากคือกายเลี้ยงชีวิตคือกายาการใช้การงานอะไรต่างๆคือกายเป็นศินแ ล, ลน้ววะน่อยู่ในกายแ ล, ล้ววะเป็นท่าขอ้อข้อที่หนึ่งที่สองเป็นเป็นปัญญาข้อที่สามสมาอาชีวะ ส, สมากรมัตาสมา อาชีวะเนี่ยเป็นศีลแล้วันข้อที่สี่ข้อที่ข้อที่หก็คือเออข้อที่ห้าก็คือสัมมาวายาสัมมาวายาโมวาความภาพเกียนชอบเป็นสมาธิเราสมาสติเป็นสมาธิรมมาาธเาธราสัมมาสมาธิเป็นปัญญาเรา แปดอันนี้มันอยู่ในกายในใจเราเนี่ยรวมทั้งแปดอย่างเนี้ยมารวมลงที่กายวาจาใจของเรานี่ยกายวาใจเขากายวายใจใจของเรานี้ยแปดข้อมารวมลงมาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ที่กายวายในี้รักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลรักษาใจให้เรียบร้อยชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกายในใจนี้เรียกว่าปัญญา ยังมาเป็นสามเป็นศีลเป็นสนมาธิปัญญารวมมาอีกเดือนนิดเดียวคืออะไรฮะเหลืออันเดียวคืออะไรน้อ ย, อยกับมือเดียวอันเป็ดมันก็ยังมากเกินไปสามก็ยังมากเกินไปเอาอันเดียวเนี่ยมีอะไรละ่ะคือสติเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนหลงเป็นรู้นี่อันเดียวเท่า น, น, นั้นเลยนะ มันจะยากมันไม่หนักนะพับใส่กระเป๋าไปอยู่ที่ไหนก็อยู่กับหลงมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงไม่หนักอะไรเลยไม่ยุ่งไปยากทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการ น, นี่ทูเจ้าตะโกนบอกสว่างขาโทภกวัตาธรรมโม ว่าทำมันพาผู้มีภาคเช่าตัดไ้ดีแล้วไม่ต้องหาไม่ต้องอบมกว่าหาที่ไหนรวมลงแล้วคือกายใจนี้ผู้ศึกษาจะต้องทำด้วยตนเองเอามาหารู้เองไม่ใครไม่เคยรู้ให้ไม่ได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เองต้องเปลี่ยนเัาเองหลงก็หลงเองเปลี่ยนก็เปลี่ยนเาเองต้องทำด้วยตัวเอง ทำให้กันไม่ได้อากาลิโกไปให้ผลได้นะไม่จำกัดการอันหลงตอนไหนเปลี่ยนหลงเป็นลู่ตอนนั่นได้หลงอยู่ที่ป่าที่บ้านที่ร่มที่ดอนเปลี่ยนที่นั่นละ่ะเนี่ยอากาลิกา โ, โกทำโว้ตะกูลบอกให้มาดูให้มาดูเชิญให้มาดู พวนามาใช้เราเอามาใช้เราน้อมมาใช้เรามันหลงน้องควา ม, ม่หลงมาเอามาใชา้เป็นปัจจิตตังเปลี่ยนหลงเป็นรู้สัมผัส ด, ดูเป็นยังไงเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์สัมผัส ด, ดูเป็นยังไงเก่งไหมอะไรเป็นธรรมความหลงเป็นธรรมไหมาย ความโกรธเป็นธรรมหมายความทุกข์เป็นธรรมหมายถ้าเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงจะเป็นธรรมหมายความทุกข์เป็นไม่ทุกข์จะเป็นธรรมหมายความโกรธเป็นไม่โกรธจะเป็นธรรมหมายสัมผัสเป็นปัจจิตังแบบนี้ไม่ต้องถามใครนี่คือสัจธรรมีในชีวิตเราเนี่ยเออต้องไม่ใช่งมมายนะมีศาลนะ มีประโยชน์นี่แหละงานมนุษย์แบบนี่งานมนุษย์น่ที่นี่ก็จึงมาฝึกกันแบบนี้ไม่ใช่อะไรพออยู่ด้วยกันแล้วอยู่ไปถ้ามาอยู่ก็กลับไปบ้านได้ไม่ก็อยู่กับเรานั่นแหละว่าเรามีภาระเป้าจิตจะพระกรณีนันตาธาแนวยังปเตอปุจฉาม้า เขจ้จิตจะเขากรณีย า, าปุชามะขอบอกพระอาจารย์พระพุทธธรรมพระสงฆ์หลากลับบ้านก่อนผูจ้จิตจะมีจิตมากมีผัวมีเมียยังเป็นผัวเป็นเมียยังมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องมีสิ่งของมีการงานเขจ้จิตจะ พรหุกกรณียาต้องไปทำยังรูดังเหลานทำงานทำการหาอยู่หาจีนพระ ห, หุกกรณียามีเวลาก็มาใหม่อาจารย์ก็บอกว่าอาาันทานเนี่ยตุมเหกำลังมยายาทาไปดีนะไปทำหน้าที่นะอย่าไปทะเลาะว่ากันนะอย่าไป ทำผิดสินผิดธรรมนะอามาพันเตจะไม่ทำอนะีกนะเบอกไป <laughs> ไปทไปบ้านแล้วไปทะเลาะ ก, กันนะพอกลับจากบัสไปบ้านหอันนั่นก็ูไม่อยู่มันไม่เหมือนเดิมมันไม่มีตามีหูอะไรก็กระเจื้อกระใจกันหมดน้องตากลับไปภูกรทองที่หนึ่งก็ไป ไปด่าพระเออเ อ, อก็ไม่ดีนะไม่ใช่ด่านะไปดูก่อนก็ไปก็ไปดูรอบๆ อ, อะไรน้ำเป็นไงไฟเป็นไงชิงของเป็นไงไปดูน้ำน้ำก็เปิดน้ำจกปกเข้ า, าวบาในวัด กินกันเห็นพระ ก, ะกอกน้ำกันอยู่พระบอกพระว่าเนน้ำ ม, มันกินไม่ได้นะน้ํา ม, มันเปิดขระบ า, านน้ำลำบะเทามันโศกุกอ่ะมาเปิดไปกินมาได้เที่ยงทั้งหมดไปเอาอยู่องค์บอกไป อ, องค์องค์ก็กินไม่ได้หนู้ดใจใส <laughs> ออหนูตาแล้วเหม็นกินไม่ได้เอาอีหล้วไปโอกงนั่นดูสิโองนั่นยังมีไหมเลยเอาไปโอกงอีงอ่งหนึ่งอ่าเลยจับตาไปดูมานี่มานน่หลองตาจะพาไปดูอันนี้น้ำประตูนี้มาหมายจากด้ามชาวบ้านอย่าเปิดเข้ามาใครบ้างเปิดไปดีถามใครก็ไปลูไม่กล้าบอก มันเปิดเองเลยได้าไง แ, แปลกนะแปล ก, ปลกด้ามมาดี้ประตูด้านเปิดเองนะก็ <laughs> อบอกปิดเ <c oughs> ก, ก, กิดไรย่าใช่เขาบอกไม่ใช่ใบบอกอถ้าไม่บอกบอก็ไม่ได้อถ้าไม่ผิดแล้วไว้บอกมันก็ผิ ด, ผดมันหลงแล้วไม่บอกแล้วบอกกันล้วนนไะ มันเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนได้น ะ, ะเราจึงบอกก่อนพูด ก, ก่อนตัดเรื่องในปฏิบัติจากนั้น อ, อ้าวสมควรเจเวลาก็พระพร้อมกัน